สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชืดพระสูตอนที่สามร้อยแปดสิบสี่บาธิเมอัสครั้งที่หนึ่งพอเจ้นาพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบแปดข้อที่สามสิบห้าลูกาบทที่สิบแปดข้อที่สามสิบห้าจนถึงข้อที่สี่สิบสามโปรดฟังโจชนะของพระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยริโคมีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมหนทางเมื่อเขาได้ยินเสียงประชาชนเดินผ่านไปจึงถามว่าเรื่องอะไรกันเขาจึงบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเลตเสด็จไปคนตาบอดนั้นจึงร้องว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดคนที่เดินไปข้างหน้านั้นจึงห้ามเขาให้นิ่งแต่เขายิ่งร้องขึ้นว่าบุตรดาวิดเจ้าค่ะ ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูทรงประทับยืนอยู่สั่งให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์เมื่อเขามาใกล้แล้วพระองค์ทรงถามเขาว่าเจ้าปรารถนาให้เราทําอะไรให้เจ้าเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตรัสแก่เขาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติในทันใดนั้น เขาก็เห็นได้และตามพระองค์ไปพลางสถวายสาธุ ก, การแด่พระเจ้าและเมื่อคนทั้งปวงได้เห็นเช่นนั้นก็สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเราเริ่มต้นด้วยการรู้จักเมืองเยริโคก่อนนะครับในช้าวันนี้เมืองเยรโครนั้นเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยรูซาเล็มห่างไปประมาณ24กิโลเมตรครับ 24กิโลเมตรนี่ก็อยู่ที่กรุงเทพปักน้านะครับและห่างจากแม่น้ําจอแดนไปทางทิศตะวันตก8กิโลนะครับกรุงเยลเซนนั้นก็อยู่บนที่ราบสูงนะครับสูงกว่าเยเรโครประมาณ 3,300 ฟุต 3,300 ฟุตนี่ก็ตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรนะครับ ันเมตรกเียบเท่าหนึ่งกิโลครับความสูงของเยอเซ 1, 1, 3, มเนี่ก็สูงมากนะครับรับรองว่าน้ำท่วมไม่ถึงสูงกว่าเยเรโคถึงหนึ่งกิโลหรือสามพันสามร้อยฟุตเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นเมืองเก่าแก่มีอายุเป็นหมื่นปีครับมีการขุดค้นพบทางโบราณคดีของอารยธรรมเป็นชั้นๆนะครับทับถมกันขึ้นมาเรื่อยๆเฮโรดมหาราช ในสมัยของพระเยซูและอาเคเลสนะครับซึ่งเป็นราชรถของเฮโรดได้สร้างเมืองนี้ไว้อย่างสวยงามมีทั้งทั้งสวนปาล์มนะครับสวนกุหลาบยังมีโรงละครแบบโรมครับและอัจจจรครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ยังมีบ้านพักที่สวยงามที่ว่าวิลล่าครับเพราะฉะนั้นคำว่าวิลล่าเนี่ยเป็นคำโบราณ นะครับในสมัยของพระเยซูในสมัยโรมแล้วซึ่งเป็นต้นกําเนิดคําว่าวิลเลจซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าหมู่บ้านวิลล่านั่นก็เหมือนกับรีสอร์ทในสมัยนี้ครับตกแต่งด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมโรมันโบราณสวยงามมากครับเรามาดูในพระโอษะของพระเจ้าลูกาบทที่สิบแปดข้อสามสิบห้าถึงสามสิบเก้าก็ตรงกับมาระโกบทที่สิบข้อสี่สิบหกถึงสี่สิบแปดทั้งมาระโกและลูกาก็เขียนไว้ คล้ายคลึงกันนะครับพระเยซูเพิ่งจะเสด็จผ่านเยริโคถ้าพี่น้องจําได้นะครับบทที่แล้วพระเยซูทรงเสด็จเดินทางไปมุ่งสู่เยรูซาเล็มแต่ในบทที่สิบแปดนี้นะครับเราจะอ่านพบคํำคานายเกี่ยวกับมรณกรรมของพระเยซูที่จะเกิดขึ้นในเยรูซาเล็มและในขณะเดียวกันในข้อที่สามสิบเอ็ดของลูกาบทที่สิบแปดก็ได้ตรัสอย่างชัดเจนว่า แล้วทั้งหลายจะขึ้นไปยังเยรูซาเล็มพระเยซูได้ตรัสชัดเจนและจะสําเร็จตามสิ่งสารคดซึ่งเราผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้เียคกับเนื่องจากความสูงที่แตกต่าง ก, กันนั้นพระกัมภีรบรรยายถูกต้องครับว่าขึ้นขึ้นไปยังเยรูซาเล็มเพราะว่าพวกเขาเดินทางจากที่หนึ่งครับที่จะต้องไปถึงเยรูซาเล็มนะครับจะต้องผ่านเยริโคเพื่อจะไปเยรูซาเล็มในการเปรียบเทียบข้อความหรือบท สี่ที่พระกัมภีทั้งสองตอนนะครับเขียนไว้ในลูกาสิบแปดและมาระโกโสิบเราจะเห็นนะครับว่ามีความแตกต่างกันบางอย่างครับบอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จใกล้ถึงเยเอโธมีชายตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทางอยู่ข้างทางลูกาเขียนอย่างนี้แต่ในพระธรรมมาระโกบทที่สิบเขียนว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จออกจากเมืองนะครับมันไม่ตรงกันในแง่ที่ว่า ลูกาบอกว่าพระเยซูเสด็จใกล้จะถึงเมืองแต่มาระโกบอกว่าพระเยซูเสด็จออกจากเมืองตกลงเอาเองกันแน่ครับอันนี้เป็นความสงสัยของผู้ที่อ่านพระคัมภีร์ละเอียดละเอียดแต่ว่ามัตทิวกับยอนนะครับเราจะเห็นครับว่ามัตทิวนั้นก็ไม่ได้บันทึกนะแต่มัตธิวบันทึกมากกว่านั้นอีกก็คือว่ามัตทิวบันทึกว่ามีชายตาบอดสองคน เห็นไหมครับพี่น้องครับให้เรามาดูนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมาราโกและลูกานั้นเขียนจากคําบอกเล่าของผู้อื่นครับมาราโกเขากติดตามเปโตไปครับลูกาก็ติดตามท่านเปาโลนะครับมาราโกติดตามท่านเปโตลูกาก็ติดตามท่านเปาโลก็เขียนจากการสืบเสาะนะครับการสืบเสาะอย่างทุวนทีแต่ก็ตามครับเราจะเห็นนะครับว่าผู้เขียนเมื่อกี้คุณ อีกสองท่านก็คือมัตติวและย อ, อนั้นก็เป็นเขาเรียกว่า eye witness eye witness ก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงครับอยู่ในสถานที่เกิดเหตุด้วยพี่น้องครับแม้ว่าจะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างแต่ก็ไม่มีผลทำให้เรื่องราวนี้เป็นจริงน้อยลงนะครับเราอย่าสับสนครับผมอยากยกตัวอย่างนะครับว่าสมมุติว่าเรานะครับ และคนอื่นอื่นอีกสามคนเห็นรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเราอยู่ในรถคันที่ถูกชนอีกคนหนึ่งอยู่ฝั่งขวาของถนนนะครับอีกคนหนึ่งเห็นการชนจากหน้าต่างของตึกเห น, น, นือถนนและอีกคนหนึ่งห่างไปอีกตึกหนึ่งพี่น้องถามว่าเราจะเห็นภาพอุบัติเหตุสี่ภาพแต่ละคนก็เห็นตามที่ตัวเองอยู่กันคนละบุ่มถามว่าพยานคนไหนนั้นถูกต้องที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานข่าวบัตรเหตุด้วยเขียนจากรายงานของพยานแต่ละคนและรวบรวมให้กลายเป็นรายงานที่สมบูรณ์นั้นคือวิธีการอ่านพระกิตติคุ ณ, ณทั้งสี่เล่มนะครับวิธีเดียวกันนี้ครับทําให้เราเข้าใจในคาานําอธิบายชีวิตชีวิตของพระเยซูเรากําลังศึกษารายงานของผู้เขียนแต่ละคนซึ่งถูกควบคุมโดยผู้วิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ครับเ้าเรียกว่าอินสปายเรชัและเลเบลเลชั่ ก็คือการดนใจและการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าให้เขียนเรื่องราวเหล่านี้และเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวกับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ด้วยเป็นเรื่องราวที่สูงส่งมากเมื่อคนเหล่านี้แต่และคนเขียนนะครับตามที่ตัวเองทราบและรวบรวมเรื่องราวต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเราก็จะได้เห็นภาพนะครับที่ครบเต็มครบถ้วนบริบูรณ์ของชีวิตพระเยซูพี่น้องครับ มีเพียงมาร์โกเท่านั้นในเรื่องนี้ที่เอ่ยถึงชายตาบอดว่าชื่อบาทิเมอสัสคำว่าบาทิเมอสนั้นเป็นภาษาอลเมกครับแปลว่าเป็นลูกเป็นลูกชายเป็นบุตรชายของทิทเมอส์คำว่าบานั้นหมายความว่าบุตรชายครับและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าจากบทเรียนที่สําคัญในเรื่องนี้พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดครับเนื้อหาสาระจริงๆก็คือพระเยซูรักษาชายตาบอดนะครับไม่ว่าชายคนนี้จะชื่ออะไรหรือชายตาบอด อาจจะมีหลายคนนะครับแล้วแต่มุมมองที่เขาต่างคนต่างเห็นหรือพระเยซูจะทรงกระทําเมื่อก่อนจะเข้าเมืองหรือออกจากเมืองก็ไม่มีผลอะไรที่เป็นในย่สาคัญแต่เมื่อเรารวบรวมบทเรียนเหล่านี้เข้าด้วยกันเราพบครับว่ามีแต่ลู ก, กาเท่านั้นได้เพิ่มเติมเรื่องราวของสักเคียตที่เกิดขึ้นในระหว่างทางไปเยริโคเพียงครับ ในเช้าวันนี้น่าจะมีวดเรียนนะครับว่าเมื่อเวลาเราอ่านพระคัมภีร์นั้นเราอ่านด้วยความเชื่ออย่าไปอ่านด้วยท่าทีที่ต้องการจับผิดและในขณะเดียวกันครับเราสามารถอธิบายได้เกี่ยวกับสิ่งที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันหรือดูเหมือนจะไม่ตรงกันเราสามารถอธิบายได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่พระคัมภีร์กำลังจะสื่อ พระเยซูนั้นทรงมีพระเมตตาและทรงฤทธิอํานาจในการรักษาบาธิเมอัสและชายตาบอดอีกคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อพระเยซูทรงพระเมตตาและความเมตตานี้เป็นความรักที่แสดงออกต่อผู้ที่กระทําผิดครับหรือต่อผู้ที่โชคร้ายหรือต่อผู้ที่ยากจนและนี่เป็นพระเมตตาของพระเยซูที่แสดงต่อชายตาตาบอดขอทานที่เมืองเยริโคขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่ เราจะมีเมตตาต่อคนอื่นจะมีเมตตาต่อผู้ที่กระทําผิดต่อเราต่อผู้ที่หิวกระหายต่อผู้ที่ลําบากเหน็ดเหนื่อยต่อผู้ที่มีความต้องการรวมทั้งทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณด้วยเข้าไปช่วยเรานะครับอาเมน